อาการสาณจายยตนะฌานจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ที่มีกำลังสมาธิระดับสูงเพื่อความหมายรู้ในรูปหันมาใส่ใจกำหนดหมายในสิ่งที่ไม่ใช่รูปคือช่องว่างไม่มีประมาณเหมือนเห็นทั้งจักราวาลอยู่ตรงหน้าด้วยอุเบกขาวเวทนาเมื่อดับอาการหมายรู้รูปอันได้แก่ชื่อว่าเป็นที่แคบในจตุทชาลม สภาพความรู้สึกใหม่จึงจะประสบการณ์แรกที่จิตเปิดถึงขีดสุดเพราะอาการหมายรู้ของจิตไม่ถูกจำกัดขับข้องด้วยมติกว้างยาวลึกของสภาวธรรมฝ่ายรูปอีกต่อไป 2. วิญญาณัญจายตนะฌานจะเกิดขึ้นเมื่อจิตที่เปิดเป็นอนันต์ด้วยอาการสานัญจายตนะฌานมีอาการเพิกความว่าง มหาศาลมารู้อยู่กับผู้รู้เองด้วยอุเบกขาเวทนาเมื่อดับการหมายรู้ช่องว่างเป็นอนันต์ได้ชื่อว่าเป็นที่แคบในอากาศส า, า, า, า, านัญจายตนะฌานลงสภาพความรู้สึกใหม่ซึ่งเป็นความละเอียดประณีตยิ่งกว่าการจับช่องว่างดังที่เคยกล่าวแล้วในบทที่เจที่8ว่าอากาศธาตุหยาบ ก, กว่าวิญญาณธาตุส อกินจัญญายตนะฌานจะเกิดขึ้นเมื่อจิตที่เปิดเป็นอนันต์ด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานมีอาการเพลกลักษณะรู้สู่ความไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยนิดเพราะจิตพิจารณาแล้วรู้ก็จัดว่ายังมียังเป็นยังได้ชื่อว่าเป็นที่แคบในวิญญาณัญจายตนะฌานพอไม่เหลืออะไรเลยกระทั่งสภาพรู้เป็นอนันต์ จึงเข้าสู่ความเปิดกว้างยิ่งกว่ากัน 4. ในวาสัญญาณาสัญญายตนาชานจะเกิดขึ้นเมื่อจิตกำหนดความไม่มีอะไรเลยมีปัญญาเห็นว่าความไม่มีอะไรนั้นเป็นเพียงวิธีหมายรู้อย่างหนึ่งของจิตต่อเมื่อสามารถก้าวล่วงลักษณะหมายรู้ดังกล่าวอันได้ชื่อว่าเป็นที่แคบในอากินจัญญายตนาชานประสบการณ์อย่างใหม่อุบัติ ผู้ทุชนย่อมถึงที่สุดที่จะประสบการณ์นี้เพราะมีความหมายรู้ของจิตยังเหลือก็ไม่เห็นว่าเหลือแล้วผู้บำเพ็ญฌานนอกศาสนาย่อมเข้าใจว่านี่คือที่สุดของที่สุดต่อเมื่อฟังพระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมอันละเอียดสุขุมกว่านั้นจจนทราบว่ายังมีธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งเป็นที่อิงของฌานสูงกว่าเนวสัญญาณาสัญญ า, น า, ญญาตนะเป็นอภิสิทธ์เฉพาะผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่จนได้ อรหัตตผลหรื อ, อยังต่ำอานาคามิผลเมื่อร่วมความหมายรู้ระดับเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นที่แคบสุดท้ายได้จึงไม่เหลือที่แคบใดให้ต้องบรรลุโอกาสอีกเรียกว่าสัญญาเวทยิชนิโรธวิธีกําหนดรู้พระพุทธองค์ให้แนววิธีรู้ไว้คือเมื่อจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า เมื่อจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าสำหรับผู้ที่ผ่านฌานมาแล้วห ล, หลายขั้นย่อมสำรวจด้วยประสบการณ์ตรงว่ากำลังทำฌานอันเป็นที่สุดแห่งศั ก, กยภาพแห่งตนอยู่หรือเปล่าเช่นเมื่อวานทำถึงทุติยฌานวันนี้ทำได้แค่ปฐมฌานเพราะแกะไม่ออกจิตไม่อาจอย่างลงตั้งมั่นเป็นเอกะกะตาด้วยปิติสุขตามลาําพัง ยังต้องอาศัยองค์ฌานคือวิตตและวิจาร์เป็นตัวคำอยู่และสำหรับผู้ที่ทำได้ยังไม่ถึงสุดของฌานก็สามารถศึกษาไว้เปรียบเทียบว่ายังมีที่แคบอันใดเรายังติดอยู่ยังช้ำแรกผ่านที่แคบไม่ได้จะได้ไม่เป็นผู้หลงเข้าใจผิดว่าไร้จิตอื่นเหนือกว่านี้แล้วเมื่อประสบพบจิตทุกระดับก็ย่อมระจักความจริงว่า แม้ที่สุดของที่สุดแห่งจิตก็หนีไม่พ้นอนิจจ์จะได้แน้งนายคลายความยึดถือทุกสภาพจิตจะเหนือกว่าหรือต่ํากว่าก็ตามไม่หลงเหลือความหวงจิตความกังวลกลัวจะไม่มีจิตอย่างสิ้นเชิงการกหมดรู้สมาธิจิตลักษณะของสมาธิจิตสมาธิคือสภาพตั้งมั่นของจิตเป็นความปักหลักอยู่กับที่ นิ่งสนิทไม่สั่นไหวกรอนแกรงนง่ายในข้อนี้ของจิตตานุปัสสนาจะไม่ระบุความละเอียดประนีตตามองฌานแต่จะหมายเอาสภาวะจิตที่ปรากฏในจังหวะเวลาต่างๆเป็นช่วงไหนก็ได้ทั้งขณะ ก, กำหนดว่านั่งสมาธิเดินจงกรมและขณะที่ใช้ชีวิตประจำวันต้องข้องเกี่ยวกับบุคคลทั่วไป สภาพตั้งมั่นของจิตไม่จำเป็นจะต้องไร้ความคิดไม่จำเป็นจะต้องปราศจากกาม ร, ราคะและจิตจะอยู่ในสภาพตั้งมั่นได้นั้นก็ต้องอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งตรึงจิตไว้กับที่คือจะต้องมีเจ็ตจำนงมีความกาหนดจิตไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจเป็นไปได้แนมะ่กาหนดรู้สภาวะจิตตัวเองน่วงตัวเองนิ่งไว สภาพตั้งมั่นของจิตจำแนกได้หลากหลายแม้ตั้งมั่นเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพอาจจะเป็นคนละเรื่องเช่ น, ต, น, ต, น, น, น, นตั้งมั่นด้วยสติคิดทำการอันเป็นอกุศลให้ความรู้สึกมืดในภายในตั้งมั่นด้วยสติคิดทำการอันเป็นกุศลให้ความรู้สึกสว่างภายในตั้งมั่นแข็งทื่อเป็นน้าแข็งแห้ง แบบที่เรียกด้วยภาษาชาวบ้านว่าสมาธิหัวต่อตั้งมั่นพร้อมทั้งอาการตื่นรู้ว่ากำลังทรงกายอยู่ในอิรยาบทไหนกำลังทำอะไรรู้สิ่งใดตั้งมั่นพร้อมความผ่องใสนิ่มนวลอ่อนควรไม่ผสมปนอยู่กับความคิดและกิเลสเห็นภาษาทั้งหยาบและละเอียดที่กระทบกายใจ สักแต่เป็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวตนความตั้งมั่นชนิดนี้จัดเป็นฌานชนิดหนึง่งเรียกว่าลัคนูปนิชฌานเป็นคนละนิยามกันกับการจับอารมณ์จนเกิดองค์ฌานขึ้นมาเฉยๆอย่างที่เรียกอรัมนูปนิชฌานที่กล่าวแล้วในข้อก่อนเพราะลัคนูปนิชฌานจะมีลักษณะ ี่นิษสภาพธรรมจนเกิดความปล่อยวางตัวของลัคนุปนิชฌานเองอาเทียบระดับความเป็นหนึ่งเดียวกับเอกคตาในสมาัติ8ดเช่นถ้าขณะอยู่ในภาวะรุนิพพานจะต้องเป็นปฐมฌานขึ้นไปแม้อริยบุคคลก็ไม่อาจรุนิพพานด้วยคุณภาพสมาธิระดับต่ำกว่านั้นเพราะนิพพานมีลักษณะเป็นความว่างเปล่าไม่มีนิมิตและไม่มีที่ตั้ง จิตที่ต่ำขั้นกว่าปฐมฌานจึงขาดศักยภาพในการน่วงนิพพานไว้เป็นอารมณ์วิธีกำหนดรู้พระพุทธองค์ให้แนววิธีไว้คือเมื่อจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิดังกล่าวแล้วว่าลักษณะปักหลักตั้งมั่นอาจเกิดขึ้นได้หลายทางไม่จาเป็นจะต้องนั่งสมาธิหลับตา หรือจมใจเดินจมกรมเสมอไปเพราะฉะนั้นสาหรับผู้เริ่มภาวนาที่ไม่เคยนั่งสมาธิได้ผลเป็นเรื่องเป็นราวก็อาจจะอาศัยการเล่นการทำงานหรือการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพเอามาใช้สังเกตความตั้งมั่นของจิตได้เมื่อรู้สึกว่าจิตปักหลักกับที่ก็จำลักษณะนั้นไว้เมื่อจิตเคลื่อนไหลาจากหลัก ก็กำหนดรู้ความแตกต่างระหว่างกันไว้การหมั่นกำหนดรู้ลักษณะตั้งมั่นจะทำให้การทาสมาธิได้ผลมากเช่นแทนที่จะเฝ้าดูลมหายใจอย่างเดียวก็มาสังเกตด้วยว่าหายใจแต่ละครั้งมีความสัมพันธ์กับลักษณะจิตอย่างไรกำหนดการหายใจแบบไหนทำให้จิตตั้งมั่นสบายกำหนดหายใจแบบไหนทำให้จิตไหลเลื่อนไปสู่สภาพที่ฟุง้ง ปัญหาสำหรับผู้เริ่มฝึกสังเกตภาวะนิ่งของจิตคือการพยายามมองลึกเข้าไปในความนิ่งเหมือนแท้ที่จะสังเกตเฉพาะความเรียบสงบของพื้นน้ำก็กลับเพ่งลึกลงไปใต้แผ่นน้ำซึ่งไม่มีอะไรให้ดูการจะเห็นสมาธิจิตต้องทำเหมือนยืนอยู่จากตะลิง่งแค่พินิษว่าเมื่อใดแน่นิ่งไม่ไหวติงเมื่อใดกระเพื่อม เป็นละลอกขึ้นมากระโจนลงน้ำเพื่อดำลงไปดูข้างใต้ข้อสังเกตด้วยว่าถ้าเราดูจิตตั้งมั่นโดยความเป็นสภาวะหนึ่งไม่มองว่าคือจิตเราไม่มองว่านั่นคือความเป็นเราจะมีผลข้างเคียงทางบวกคือทาให้สภาวะนิ่งนั้นมีคุณภาพมีความผ่องใสเบิกบานและไม่เสื่อมลงง่ายนักทั้งนี้ก็เนื่องจาก ไม่มีความคิดปรุงแต่งอันเกิดจากความรู้สึกในตัวตนเข้ามาแทรกแซงเป็นเวลานานขึ้นเรียกว่าได้ปัญญาปัจจัยส่งเสริมหรือเป็นตัวยืดอายุสมาธิจิตนั่นเอง กำหนดรู้จิตหลุดพ้นลักษณะของจิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นคือจิตที่ไม่มีความอยากเสพกามไม่มีความอยากเสพฌานและไม่มีความหลงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวตนดังนั้นจิตหลุดพ้นต้องมีลักษณะตั้งมั่นเพราะไม่ตั้งมั่นไม่ชื่อว่าหลุดพ้นจากความครอบงำของกามและความฟุ้งซ่านจิตหลุดพ้นต้องมีลักษณะแยกเป็นอิสระนิฐานะเป็นผู้รู้ดูอยู่ในสภาวะธรรม เพราะถ้าไม่แยกต่างหากออกมาเป็นผู้รู้ดูสภาวะธรรมก็ไม่ชื่อว่าหลุดพ้นจากครอบําของสภาวะธรรมอาการแยกออกมาเหมือนต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่นั้นไม่ใช่หมายถึงเจิตลอยเป็นดวงๆออกมาสู่นอกกายอย่างจริงๆแต่เป็นการประสบภายในเหมือนรู้ตามโดยปกติไม่เกี่ยวกับสิ่งใดเพราะมีลักษณะของสติและสัมปชัญญะมั่นคง เห็นกายใจอย่างที่มันเป็นคือเกิดดับในทางใดหนึ่งทางใดาทางหนึ่งอยู่ตลอดเวลาไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งล้วนปรากฏเป็นเครื่องรู้เครื่องอาศัยละลึกมีชีวิตอีกแบบอีกมิติหนึ่งสมดังที่พระพทุทธองค์ทรงตรัสเสมอในทุกหมวดทุกบับของมหาสติปัตฐานสูตรคือ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 วิธีกําหนดรู้พระพุทธองค์ให้แนววิธีกําหนดรู้ไว้คือเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นเมื่อจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเพื่อที่จะรู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นควรจะพิจารณาตามลําดับว่ายึดอะไรเพราะเกาะยึดหรือความรู้ลักษณะตามธรรมชาติอันใดตรงจุดนี้มีบัญญัติเฉพาะอยู่คําหนึ่งควรอ้างถึงคือคําว่าเปลื้องจิต คำว่าปลื้มจิตคือการปลดปล่อยจิตจากที่เคยเกาะยึดไว้เพื่อเป็นอิสระจากสิ่งนั้นๆตัวอย่างที่เคยศึกษากันมาเช่นเราเข้าถึงปฐมฌานเพื่อปลดปล่อยจิตจากการเกาะอุมของการราคะเรียกว่าเป็นการใช้ปฐมฌานในการเปลื้มจิตจากกาม ร, ราคะหรือเมื่อตามจริงว่าเราทึกทักว่าสิ่งใดเที่ยงเช่นนึกเอาว่าหน้าตาต้องไม่แก่ ความรักต้องไม่เจตจางพอมันแสดงความแก่แสดงความเจตจางก็ทุรนทุรายหรืออย่างน้อยก็เป็นทุกข์ทารใจอันนั้นแสดงถึงโมหะความหลงผิดยึดมั่นอยู่ว่าของรักของห่วงต้องเที่ยงเมื่อพิจารณาโดยแยกคายรับรู้แบบตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมฟ้องความไม่เที่ยงอันเป็นของจริงความยึดมั่นแบบหลงผิดว่าเที่ยงย่อมถูกเบียดตกไป นี่คือการเปลื้องจิตจากความมั่นหมายว่าเที่ยงด้วยปัญญาพิจารณาเห็นจริงอย่างปราศจากโมหวะวสปสิ่งย่อมเสื่อมลงเป็นธรรมดาจิตหลุดพ้นมีลักษณะเป็นอิสระเฉพาะตัวรู้สึกได้จากประสบการณ์ภายในคือหมันพิจารณาว่าขณะใดาจิตยังยึดหรือ ย, ยังหลงผิดก็จะเห็นความอึดอัดไม่เป็นอิสระจากลักษณะยึดและลักษณะหลงผิดนั้นๆ แต่ถ้าพิจารณาแม้กำลังยึดมั่นอยู่หลงผิดอย่างรุนแรงโมหะทำหน้าที่บดบังปิดหูปิดตาไม่ให้รับรู้ความจริงใดๆทั้งสิ้นความหลุดพ้นเป็นปลอกนั้นไม่มีเครื่องหมายหรือคะแนนออกแบบนับแต้มให้รู้ได้ว่าใกล้เป็นร้อยหรือยังแต่ก็จะมีลักษณะหนึ่งของจิตค่อยๆปรากฏอยู่ในประสบการณ์ภายใน คือความรู้สึกว่างความพรากออกจากแรงเหนี่ยวของกายใจและโลกทั้งปวงเมื่อปฏิบัติธรรมวันต่อๆวันหรือว่าวันต่อวันความว่างชนิดนี้จะขยายว้างทำให้ปลอดโปร่งโล่งใจเป็นสุกเนียนประนีตขึ้นเรื่อยๆไม่อิงอาศัยเหยื่อล่อใดๆเลยและด้วยความรู้สึกว่างดังกล่าวนี้ เมื่อเกิดเส้นใ ย, ยยึดมั่นใดๆเสียดแทงแปลกปลอมขึ้นมาก็ย่อมปรากฏเห็นชัดทำให้รู้ว่ายังไม่พ้นจากความยึดมั่นแบบนั้นๆก็เป็นหน้าที่ต้องตระหนักต้องยอมรับว่าจิตยังถูกยื้ยุดชุดรั้งไว้ได้อยู่ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยแยกคายเพื่อเบลื่องจิตให้ตรงประเด็นก็จะรู้สึกความอ่อนกำลังยึดเหนียวทีละน้อยจนวันหนึ่งมอนขาดสูญไปจากจิต เป็นสัญญาณบอกความเข้าใกล้ลักษณะทิ้งความเห็นกายใจเป็นตัวตนเข้าไปทุกทีสรุป ส่วนของการทําความเข้าใจเกี่ยวกับจิตและทั้งส่วนของการปฏิบัติให้เห็นสภาวะตามจริงล้วนส่งเสริมให้ตระหนักว่าจิตเป็นได้แค่สภาวะอย่างหนึง่งอาศัยเหตุปัจจัยจริงเกิดหมดแรงส่งของเหตุปัจจัยเมื่อไหร่ก็ดับหาใช่ว่ามีอะไรอย่างหนึง่งปรากฏเป็นดวงอยู่อย่างเป็นอมตะ กับทั้งไม่ใช่มีความนึกคิดของใครบางคนดำรงอยู่เป็นชาชาติดังที่โมหะล่อลวงให้เราทึกทักเอาเดื อ, ดอเมื่อสามารถกำหนดตั้งสติตั้งรู้อยู่ที่จิตได้ทุกอย่างปรากฏเป็นโลกภายนอกจะไร้ความหมายไปทันทีไม่ว่าจะเคยมีความน่าอะไรอววรสักเพียงใดมาก่อนก็ตามเพราะเห็นเข้ามาถึงจิตแล้วว่าความอะไรอวร น, นั้น ก็คืออาการของจิตชนิดหนึ่งนั่นเองหากเห็นได้ขนาดนั้นก็จะตระหนักว่าถ้าปราศจากสติรู้ลงมาถึงจิตก็ยากนักที่จะอ่านตนเองออกอย่างกระจางกับทั้งยากนักที่จะสลัดกิเลสขั้นลึกมีความละเอียดอ่อนมากๆนักภาวนาส่วนใหญ่หวังแต่จะเอาดีจากการปฏิบัติคือจะปฏิบัติให้ได้ดีอย่างเดียวตอนไม่ดีไม่เอา ไม่สนใจดูเมื่อพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างลึกซึ้งคงทำให้ยอมมองว่าตอนจิตกำลังรุ่งก็ต้องภาวนาตอนจิตกำลังร่วงก็ต้องภาวนาอีกประการหนึ่งส่วนใหญ่เราปฏิบัติกันเพื่อเลี้ยงไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้รู้กล่าวคือพอสภาวะธรรมเกิดขึ้นก็จ่อให้มันคงสภาพหรือบางสภาวะธรรมยังไม่เกิดด้ซ้า ก็พยายามไปสร้างขึ้นแล้วก็มักประสบแต่ความล้มเหลวเพราะจิตเป็นอนัตตาเขาไม่ได้เป็นไปตามอำนาจอยากของเราแนวทางในทางจิตตานุปัสสนาคงทําได้สบายใจได้ว่าเรากําลังปฏิบัติอยู่ขอเพียงรู้ให้เป็นรู้ให้ทันเท่าตามจริงจะเป็นราคะโทสะหรือโมหะก็ตามสังเกตง่ายๆเพียงว่าสิ่งใดถ้ารู้ สิ่งนั้นย่อมแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นเสมอถ้าสิ่งนั้นยังถูกรักษาไว้แปลว่าตอนนั้นเราไม่ได้รู้เข้ามาถึงลักษณะที่กำลังปรากฏแต่อาจจะกำลังส่งใจส ร, งสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในใจแทนเมื่อเห็นความไม่เที่ยงบ่อยเข้าย่อมละวางความยึดมั่นถือมั่นลงได้เองแต่เพราะเห็นไม่บ่อยเห็นประเดี๋ยวประดาว เห็นแล้วถอดใจก็ย่อมไม่เกิดผลสำเร็จใดๆขึ้นมาอันนี้ก็ต้องหมั่นสังเกตเอาว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นรู้ไม่ใช่เลี้ยงข้อสังเกตอีกประการหนึ่งที่ควรทิ้งท้ายไว้คือจิตตานุภัสสนาเริ่มต้นด้วยสภาวะทรมง่ายๆที่เกิดกับจิตเช่นราคะโสะาโมหะเรวมทั้งจิตหมดงูและจิตฟุ้งซ่าน แต่เมื่อพัฒนาขึ้นไปจะเน้นการสังเกตแง่มุมต่างๆของจิตที่มีคุณภาพจิตมีคุณภาพดีเพื่อความเห็นชัดในทุกสภาพและเพื่อความปล่อยวางเป็นปลอกป่อจักหยาบสุดไปจนถึงละเอียดสุดหากเป็นไปได้จึงไม่ควรปฏิเสธการทำสมาธิชั้นสูงซึ่งพระพุทธองค์สมแน่อุบายไว้หมดแล้วในทุกหมดของมหาสติปัฏฐานสูตรหากพัฒนาจิตอย่างรู้จุดมุ่งหมายดี ก็จะไม่มีการหลงยึดติดในสมาธิอย่างที่นักภาวนายุกเรากลัวกันแต่อย่างใดทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูตัวอย่างที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกด้วยว่าผู้บรรลุธรรมมากมายไม่เคยผ่านการอบรมจิตจนประสบความสำเร็จรดะดับชาญมา ก, ก่อนเรื่องของการทำสมาธิถึงฌานจึงประณีประนอมได้ทั้งสองฝ่ายความเห็น คือถ้าทำได้ก็ควรทำทาไม่ได้ก็ภาวนาตามสติปัฏฐานไปนับว่ามีหวังในมรรคผลอันเป็นแก่นสารของพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งสิน้น บทที่สิบสองธรรมานุปัสสนาเนวรณววชพุทธพจน์ดูกราพิสุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างไรพิสุจึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเือนิวรห้าอยู่เสมอได้พิสุในพระศาสนานี้เมื่อความพอใจยินดีในกามีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความยินดีพอใจในกามีอยู่ภายในจิตของเรา เมื่อความยินดีพอใจในกาไม่มีอยู่ในจิตย่อมรู้ชัดว่าความยินดีพอใจในกาไม่มีอยู่ในจิตของเราอันหนึ่งความยินดีพอใจในกาที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความยินดีพอใจในกาที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความยินดีพอใจในกาจะละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อความพยาบาทมีอยู่ในจิตย่อมรู้ชัดว่าความพยาบาทมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อความพยาบาทไม่มีอยู่ในจิตย่อมรู้ชัดว่าความพยาบาทไม่อยู่ในจิตของเราอหนึ่งความพยาบาทที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความพยาบาทที่เกิดขึ้น แล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความพยายามที่เกิดขึ้นแล้วจะเสียได้คือจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความพยายามที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึง่งเมื่อความง่วงเหงาซึมเศรามีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความง่วงเหงาซึมเศรามีอยู่ภายในจิตของเรา หรือเมื่อง่วงเหงาซึมเศร้าไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่อยู่ภายในจิตของเราอนหนึ่งความง่วงเหงาซึมเศร้าที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความง่วงเหงาซึมเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วจะเสียไปได้ด้วยประการใดขอภัยค่ะจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย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 ย่อมรู้ชัดประการ น, นั้นด้วยความพุ่งสร้างรำคาญใจที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดก็ย่อมรู้ประการนั้นด้วยความพุ่งสร้างรำคาญใจที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย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 ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความลังเลสงสัยที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยดังพันนามาชนี้ิก็กสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้าง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 ด้วยอาการปฏิบัติอย่างนี้แลพิสูจชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรห้อยู่เสมอจบนิวรณบัพบดสุดท้ายของมหาสติปัฏฐานสูตรได้ชื่อว่าธรรมานุปัสสนาก็เห็นจะมองกายใจรวมทั้งสิ่งอื่นภายนอกเป็นสภาวะธรรมล้วนๆไม่มีชายหญิงไม่มีภาวะบุคคล ไม่มีความเป็นเราเข้าแทรกซึมอยู่เลยหากจะมองกายก็มองโดยความเป็นการประชุมของธาตุหากมองใจก็มองเห็นเป็นแน่มุมของภาวะหมายรู้หรือภาวะคิดอ่านทำการไม่ยึดว่าเป็นธาตุของใครไม่ยึดว่าใครกรองภาวะหมายรู้คิดอ่านใดๆอยู่ไม่ว่าจะแยกรู้ทีละอย่างหรือรวมกันทั่วพร้อม นอกจากนั้นยังมีสาระสำคัญคือพระพุทธองค์ทรงขมวดปมไว้ในธรมานุปัสสนานี้ด้วยการชี้ทางสร้างความเป็นไปได้ว่าจะเกิดภาวะแห่งมรรคผลได้อย่างไรชนิดไม่มีการอ้อมค้อมไม่อาอึงว่าจะจำแนกแจกแจงอย่างไรให้เข้าใจผู้ภาวนาทั่วไปสามารถรู้ตามด้วยภาษาธรรมธรรมดาว่าจิตที่ใกล้ถึงขีดของมรรคผล ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างการตรวจสอบความรู้ทั่วไปถึงร้อมจึงจะเป็นไปได้โดยสะดวกได้ธรรมานุปัสสนาจึงเป็นสุดยอดแห่งฐานวิปัสสนาอันผู้หวังน้ำพูแห่งอมตะควรจะใส่ใจระลึกซึ่งกล่าวได้ว่าเราฝึกหมดกายหมดเวทนาและหมดจิตมาก็เพื่อมีจิตไว พร้อมต่อยอดเป็นหมวดธรรมในที่สุดนี้เองเหตุที่นิวรเป็นบันไดขั้นแรกของธรร ม, มานุปัสสนาจิตเป็นของละเอียดแต่กิเลสเป็นของหยาบพาพบกิเลสหยาบ ก, ก็จะสู้ไม่ไหวเหมือนของอ่อนย่อมแพ้ของแข็งเมื่อถูกของแข็งปกทับมากเข้าเดีย๋ยวว่าแต่จะไปดูกายใจโดยความเป็นสภาวะธรรมแค่ฝืน ไม่ให้ยอมตามกิเลสไปทำผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมก็นับว่าเก่งแล้วดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรู้กันรู้ทั้งแก่คือทราบว่าทำอย่างไรจรึงจะโกยกิเลสอยากออกจากใจให้เกิดความสะอาดสะอาดปลอดโปร่งใช้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องปฏิบัติขั้นละเอียดเป็นลำดับต่อไปพระสารีบุตรกล่าวไว้ใน สัมปาสาะธนิยสูตรพระสุตตันตปิดกเล่มที่สามใจความสำคัญคือนิวรห้าเป็นเครื่องเศร้ามองใจทอนกำลังปัญญาเมื่อละนิวรได้แล้วจึงสามารถมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสตรงนี้ชี้ให้เห็นด้วยว่าการละนิวรไม่ใช่สำคัญเพราะเมื่อจะใช้เป็นบันไดขั้นแรกของธรมานุปัสนาทว่าสำคัญต่อสติปัฏฐานโดยรวมทั้งหมด เพราะหากใจเศร้าหมองปัญญาถูกบั่นทอนลงก็คงไม่อาจที่จะเห็นได้ตามจริงใจที่ผ่องใสประจุแล้วด้วยปัญญาเต็มอัตราจึงเหมาะแก่การภาวนาเพื่อเอามรรคผลกันแต่หากถามว่าหมวดได้ในสติปัฏฐานสี่ต้องการความปลอดจากนิวร อ, อย่างที่สุดก็คงต้องกล่าวว่าทำงานุทสนานี่เอง เนื่องจากเป็นการรู้กายเวทนาและจิตนั้นเริ่มต้ น, นง่ายง่ายเช่นรู้ว่าลมหายใจปัจจุบันกำลังเป็นออกหรือเข้าเวทนาปัจจุบันกำลังเป็นสุขหรือทุกข์หรือเฉยจิตในปัจจุบันกำลังมีราคะโทสะโมหะหรือเปล่า